คำอาราธนาศีลห้ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัธายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัธายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามา ตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณท า, ายาติสรเนนะสหปัญจศีรานิยาจามา